ที่เข้ามาศึกษาพระคุทธบาทที่นี่นั้นส่วนใหญ่้อเป็นพระเก่าเท่านั้นข็วัด การระพุทธการเตยบัตพวกเราทุกคนก็ได้ศึกษามาพอทั้งคนพากเราทุกคนมีหวังในการที่จะเปพุทธบัติผู้ของพุทกโดยเพื่อนัาสติเราจะเกิดจ้งเรานั้น เราทุกคนจะต้องมีสต า, างในความที่จะกระทำความเพียรในทุกๆวันให้สม่ำเสมอให้ต่อเ น, นื่องวันและคืนก็อย่าให้เรื่องเลยไปโดยประยุกต์แต่ดเดิมทั้งหลายใน ว, วันตื่นเช้าทำกิจต้าส่วนตัวศุดก็ว่าไปทำงานทำแน่ที่ทำงาน เพื่อที่จะได้จัใจใารจัดการเรื่อยเราเป็นพระผู้ไมีหวังความเป็นทุทธเมื่อเราเปลี่ยนธรรมแล้วเลาเด็กสนับตัวสองตัสามก็าม่มีสติที่จะรักษาจิตใจเราอยู่ทุกหนักขึ้ ไม่อสัมผัสท้ายเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่ได้ลุลุ่มทำหน้าที่ทางงานของพระคือทคกามเพียร์ไมการใดงงงมึนสมนนาธิเพื่อที่จะทำจิตใจให้ดีเพราะ ฉ, น, ฉ น, านั้นพรเรา น, นี้ต้องทำมากกว่าโยนโยนวิธี ง, งานนะจสตใจที่ด เราเวลาว่า ง, า ง, งตั้งแต่ตนนอนขึนมาแต่จิตมีสติกำกับดูแลรักษาจิตใจของเราไปตลอด ท, ทุกข ณ, คคณก ะ, ทะทิ่เมื่อในเวลาการทรงตัวภายในสมาธิเต็มกลมทำให้มากจปเลยไม่ากถ้าเราทำเช่นนี้อยู่เป็นก ป, ปกปปติทุทกๆอย่าง เป็นปฏิธรรมที่สม่ำเสมอจะขี้เกียจก็ทำฝืนก็ทำขยันก็ทำทำอยทุกวันให้ตเนื่องปฏิงขารนี้ก็จะตเนี่งเป็นสายการฝึกให้มีปิตโดยแรงสายจิดใจของเราการึกกรมฐานให้มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วที่จะใมีสติตั้งใจมั่น เกิดขึ้นภายงนจราเน้นเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นได้สาคัญเพราะถ้าเราไม่มีสติที่ตั้งนั่แล้วจิตของเางน้นก็หลงไกับอารมณ์วิ่งตามอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภในใจเราเมื่อใจเลือดหรือร่เสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจจิตขอเราก็ไปยึดแน่นแต่แน่น ในอารมต้อังหลายเหล่านั้นก็เป็นตัวเป็นตนไม่คึดเป็ ต, ต่งไปตา ม, มาอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อที่จะละที่เราจับจิตใเงาหรือเพื่อที่จะทำลายความเลิกรงงางเกียความหลงเพราไปจับจิตใจเงานันเราไม่ต้องไปทำลายข้าวตถิ ง, ถงองไผ่นอกไม่ต้องไปทำลายต้นไม้ต่า ภายนทำลายกิเลสระยในการนอนเดียวมีสติย้อนกลับมาดูใจเรากิเลสทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากกุศลวิหารหรือบ้างเรื่อนต่างๆเกิดขึ้นในกิตใจของต่ละคนในความโลภความเห็นที่จริงๆความโกรธที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจเราเนี่ ความหลงยม่เด็แม่ในร่างกาของเรานี้จะเป็นตัวเป็นเนาะดแม่อะไรทั้งหลายว่าเป็นจิตแราขี่เร่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราต้มีสติดจิตทจเราว่าจิตใจตอนให้มีขี้เหรหรือเปล่าในเ้องต้นทางจิตไม่วาง่ายจากทั้งหลาย แต่แม้เราจะ ม, มีกิเสดู่ภายนจิตใจเราก็ตาก็สมมติว่าทำจิตเราให้บ้ า, างด้วยการทำสมาธิให้ต่อเนื่องและจิตร่างด้วยการทำจิตให้สมดุลจิลเราก็มีวความสงเรื่องเย็นใจขึ้นและตายเรื่ อารมณ์ก็ยดจะเกิดขึ้นภาในใจเราเรู้สวยหรือไม่สวยพวกสิ่งที่มีชีวิตก็ตามในวัตถุธาตุที่ไหลายตามจุกเราจะเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจขึ้นถ้าจิตของเราไม่ไม่มีสติสำหรับรักษาจิตมันก็ไปยึดนั่นถือนั่นในความพอใจความไม่พอใจเพระงั้นถ้าเราจหลุดหรืวอว่าจะรู้ไปหลุดบงคน้็ ก็มาจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้สงบไม่สมนใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีรูปเสียงใจําพักต่างๆบางคนก็สงบทำจิตให้สงบไม่นสนใจในอรมทั้งหลายจิตให้เป็นเบื้องขาของสมาธิไม่จากอารมณ์เป็นเชื่วขาวการทำสมาธิ น, นี้ก็มีควบคุมกำกักกบ เราต้องทำในสมัยเสมอเพื่อที anyway, ahead ahead ic ่จะให้จิตนั่งาระวงเพราองันการฝึกขัดมันเร่งต้นเพื่อที่สงบเป็นสมาธินันก็ต้องอาศอยเวลาของปัญญาแต่ละบุคคลในการที่จะทำกรรมฐานที่ทำให้จกตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้ว การที่จะทำร่างจิตจะฝึกใจนอนนั้นต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์โดอาการของจิตที่เกิดขึ้นภายในใจนอเนแก่เมื่อาตาเห็นเลือดหัวเรียนเสียงเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณทั้งหลายเห็นเลืจะเป็นเลือดวัตถุก็ในเห็นความไม่เทียทยเเมมเท่ยงของโลกวัตถุ ของความเสื่อมเสื่ยลู่สื่อิที่เสื่อยามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อให้เห็นป็นปฏกริยานในว่ากรรมฐานหรือทากรรมฐานไม่วลาชายแล้วหญิงเสียงดิ่งนันสัดต่างๆก็เหมือนกันส ต, ติปัญญาที่พิจารณาเพราะความทุกข์หรือสิลสก็เกิดขึ้นที่ใจถ้ามีสติใก้้ดูที่ใจรา อารมเกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไปย่างอารมณ์ไปติดเพราะว่างใจอารมณ์ว่างด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาองรมณไม่ใช่ว่างด้วยสมาธิแต่เบื้องต้นนั้แลรวก็ทำจิตให้สมุบว่างแจ่าเมณด้วยสมาธิพอเป็นบาดทานในการพิจารณาให้จิตสงบมีความตั้งมา่นแล้ว อารงณต่างๆที <anyway> ่เกิดขึ้นภายในกิตใจของเรานี้เราจะเห็นดูทุกขนาจิตบางครั้งแต่เมื่อเราจะเผยสติเราจะเผยแวตาแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่เห็นได้ง่ายเช่นความเลือดทีนขอบเขตของสิงธรรมนั้นเกิดขึ้นมาที่รูแรงสติธรรมดาจะเห็นก็พิจารณ้จักเอลับออกไปทำความเลือดแไปตจเราหรือห้อุบายพิจารณา ถึงมาละนานิสติเพื่อตัดความโลภแลไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พาใจก็จะหลเมตตากรุณาเมิตาอุเบกขาทำจิตอิแนา่ของเรานั้นให้ร่างจากอารมล์แต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาพิจารณากำหนดสมาธิปลดอารมี์ใรมณ์จิเ ข, ขาไไ้าผูกพันหมดไปเฉยไห่สามารถที่ะละวางได้แล้วไ ม, ม่มีความกัง ความบุนดีในรูปถ้าเราไม่ความบุนดีในรูปถ้าเราไม่พิจารณาอาศุพระกรรมฐานหรือท่ากรรมฐานคนไม่สามารถที่จะถาอความพิจาร่าถึงนั่นไปได้ถ้าเรากำหนดแบบสติสมาธิเข้าไปสมมตแต่ถ้าพิจารณาลึกในระลึใจลึกผิดลืมไม่ไเห็นความไม่กึ่งความไม่กช่งโดตอนจิตของเราก็เข้าผูกความสงบด้วยปัญญา ปล่อยางความยืดม่ถือมั่นแม้เพียงเสีข้ข่าวก็าทาให้จุตขึ้นมานักหน่มากเสินเลยก็จะสมังตัวเลยเพราะฉะนั้นการทำสมาี่เราจะต้องทำทุกประันเพื่อให้จิตบในทุกๆเวลาหมดเวลาพอดี เ, เดินนั่นหรือนอนก็มีดดนสติมีสมาธิกำกับไปทุกๆเวลาหม จึจะได้ว่าคุณพุทธคุณทำความเพียนอยู่เสมอไม่ใชการการทำความเพีย่ยนเน้นจะทาความเพียนในบทเดิมคงหรือ่นสมาธิเท่านั้นทุกๆยาบทต้องมีสติดูแลรักษาจิตใจเอาทุกๆขณะจิตขึ้นกระชื่ขนขณะจิตขึ่นกระถโลมขึ้นสติปัญญาก็เห็นต้องพิจารณาละลางไปจัดใจมาได้ทําจิต น, นั้นใหได้ตัง่งลง เมื่เราพิจารณาสินต่างๆภายหน้าลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เห็ความไม่เที่ยงความไม่เช่ยงโตนจุนเจตใจเรากค่อยป่อยวางความยึดมั่นถึงม่ไปพจารณาจนเห็นชัดขึ้นไปในเรื่องของลูกเสียงจะลสัมผัสต่างๆจนกระทั่งอิ่มก็จะเริ่มพิจนาอารมณ์ความโลภความโกรธ ความพใจความไม่ใจกเหมือนกันสติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอแล้วก็ปล่อยวางเรืนงนัออกไปแต่แเมื่ออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่มาจับใจซึ่งเป็นการไม่จิตธรก็มีสติมีปัญญารู้ได้ทันว่านันเป็ น, นการไม่จิตเกิดขึ้นแล้ก็ดับไปแล้วเ ร, เรา ก, ก็มีเวลาว่าทไม่จิตไปหดมากยนกลัมาพิจ า, ารณาร่ากายเรา ด้วยจิตเยะในการสามสิบสองเวลาสภาพกรรมฐานที่แท้ารรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เท่าเทียกนี้ให้จิตเห็นชัดขึ้นจะตินปัญญาพิจารณาเรื่องยะให้จิตเห็นชัดขึ้นก็จะช่ปลดวางความทก์แน่นติมั่นในทานเดียไปทีหรือทีน้อยเมื่อเราเห็นชัดขึ้นนั้นคือเห็นปัญญาที่ปญาเขเดินไป ในรา่กายของเราพิจารณาไในจิตใจเราค่อยๆละวามความยึดมั่นถือมั่นในอรมทั้งหลายแต่จิตใจเราคือความโลภความโกรธความดีดีไม่เลืกยความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนนั้นถ้าตัาซึ่งยกรางกายขึ้นมาพิจารกก็ค่อยๆตล่างไปเมื่อจิตใจเเห็นชัดว่ากายนี้เม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนการที่ะเดินั้ต่อไป ก็ต้องดูในสีนิของท่าเรามันทำมาเป็นไงเป็นสมาธิซึงเป็นเพื่อนทางจิตวิตตันญาก็พิจารณาในลักษณะเดิมพิจาากายพารณาลงภายในใจเราให้ถี้นไปสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ติกกับหรขัดข้องภาในกุญแจราอยู่ึ้งใจเราหยุดนั่นถือนั่นขึ้นใจเรมีความทุกข์ก็พิจารณาลงไปตรงนั้น ระตุเป็นที่เข้าดูจิตใจยานั้นเห็นเือดหนึงยาวหนทงางไม่ยุไม่ยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าดูอยู่สมอไม่มีอะไัดขึ้นในขณะจิตใจระตุเป็นดาวจะอาใบพุทนาทลายในละอาไปเพราะฉะนั้นอารมณ์แงความโลภก็ค่อยๆบรรเทาบางไป้ารมณ์แหความโกรธก็ค่อยๆบัรทาบางไป การยดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายเหล่านี้ก็จะค่อยบรรลงไปถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจณร่างกายนี้ให้หใหใใหเห็นความไม่เที่ยงไม่ชตัวตนเดิเสมอพิจารณาลึงไปในจิตใจเราทุกข์ทุกข์ขนาดที่ไเกิดอามเกิดขึ้นถ้าเราทาเี่นนี้ไปอย่างเสมอความชัดเนบื้องต้นที่จะปลอางความยึดนั่นถืม่ในร่างกายนี้ก็สามารถที่จะปล่อยออ ก, กไปได้ให้เห็นชัดนเ้องต้น ก็วางความยึนนั่นถึงมั่นในร่างกายนี้มีปฏิรู้เท่าธรรมะกายไม่ได้เที่ยงกายม่ไิช่วยตัวนร่างกายนี้ไม่ช่จิตนี้จิตนี้ไม่ช่ยร่างกายนี้อารมณความรู้เก้อก็ให้มันท้าวรือประวังออกไปอารมณ์ใจโขความาฆ่าไปบากก็ไม่มีประจัดก็ออกประจักใจเราถึงแม้จะมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสามผัสเดก็ตา แต่พวนนัคเก็ตมันทลายล้าง ไ, ไปเ้ราะจิตมันของเร า, น, านั้นขายจากความยึดแน่นถืงแน่นตัว ต, วตวนในร่างกายเรนี้หรืสติปัญญาเขาเข้าพิจารณาร่างกายที่ละเอียดขึ้นไปที่จิตใ จ, จติดข้องอยู่ในส่วนใดในร่างกายเราไม่เห็นชันในส่วนใดก็พิจารณางไปด้วย่ติปัญญาที่ทอบรดีแล้วก็จะค่อยเห็น รับขึ้นแล้วก็ทริ่ปล่อยางความยึดม่นถึงม่นในร่างกายนี้ลงไปเป็นลำดับๆเมื่อปล่อยวางไปความรู้ความปวดก็บันเทาวางไปความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมานี้ก็บรนเทาวางไปความยึดมั่ถึงมั่นในร่างกายส่วนใะเอียดนั้นถึงไมมีอยู่ก็ตามแต่ว่าไม่ชว่าจยุดการพิจาราหรือจะพิจาราเล่นอย พิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี้แหละเดี๋ยวพิจารณาอยู่ที่อารมณ์ใดในจิตใจเรานี่แหละก็ทําสมาธิให้เป็นบานครัของจิตพักจิตอย่างมีความสงบเป็นบางครั้งเมื่อจิตมี็นยังก็เข้าพิจาราร่างกายนีอยู่สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เป็นธาตธรรมฐานจะเข้าสู่ความว่างเมื่อสติปัดารู้เท่าทันว่าการนี้เป็นเพียงธาตุธรรมชาต หากแท้สับุคคลตัวตนเราเข่าไม่น่ากายสัต์ทั้งหลายของผูทุกคนในโลกนี้ก็มีสภาวะเหมือนกันสติปัญญาที่รู้เท่าทันในปัจจุบันร่างกายของร่างกายเราร่างกายบุคคลอไไื่นประกอบไปด้วยธาตเด่นธานุน้ำาตุลมธาตไปเหมือนกันหมดเรียนรู้เท่าทันในปัจจุบันก็ค่อยๆปล่อยวางความคึดแั่นถึงแม่นมาไป ไม่ต้องพิจารณาประเด็นในสภาวะกรรานหรือทาอ่ า, ากรรมฐานแต่สติปัญญาซึ่งเห็นกายก็รู้แล้วว่าสป็นสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วก็ด้วยท่านที่ถึงนีก็จะถอนตัวมาปล่อย ว, วางความยึดมั่นถือมั่นในก้างกาย ไ, ได้อารมณ์ความโู้ไม่กระดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นตัวตัวนั้นมีจิตเขว่าง นัางจากความวยึดมั่นถึงว่าในร่างกายนี้เมื่อเร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวร่างกายบุคคลหนึ่งก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่การบุคคลตนเป็นเราเานี่และตัวท่าทั้งหลายก็เป็นของไม่ที่ยงนของไม่ใชต่ตัวตนเป็นแต่เพียงท่าสี่คือท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟประชุเกันขึ้นมาเพชั่วยาวเวลาสั้นๆเท่านั้นและเท่านั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้น เ่อมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกกลายไปในที่สุดหาใช่ยสัมบุคคลตัวตนเราเขาไม่เมื่อจิตนั้นเดินเขไปสู่ท่ากลาของเบญสาธารมด้วยปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายดังนี้จิตกเห็นสักตัวว่าเห็นได้ยินเอากลับัวได้ยินเดินไปท่ากลาง ในระหว่างความไม่ยินดีไม่ยินม้เมื่อพอใจมีความพอใจในสติที่ตั้งมั่นอยู่แต่ยังมีความคิดมั่นถือมั่นในปัจจุบันของจิตแต่เมื่อเราปลยวางความคิดมั่นถึงมั่นในกายนี้ได้แต่ก็ยมีความหลงภายในจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตโดยละเอียดไป นี่สติปัญญาก็ต้องพิจนาสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันมีความหลงอยู่จนแม้จะบังหน้าที่เห็นทางพิจาณาร่างกายวัตถางแต่ลารมณ์ภายในใจซึ่งจิตยังยึดถืออยู่คือเวทนาของจิตความสุ ข, ข, ขววความทุกข์ความเฉยในความจำแม่หม่ลูกต่าง หรือควคิดปรุงแต่งทึ่งเกิดขึ้นภายในใจหรือการรับรู้ต่างๆจิเก็ยังคิดว่าเป็นตัวจิตจิตก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอาการต่างๆว่าเป็นจิตอย่ดีเพราะนั้นต้องใช้สฏิปัญญาพัฒนาแย้แยะให้เห็นเจทนาความสุขความทุกข์หรืออาการเฉยๆว่าเป็นของไม่เที่ยเป็นของไม่ใช่ตัวตนความจำ ต, ต่างๆม <Innovation S 1> <mon> ีเร er ื่องต่างๆก็ตามติดปัาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่พิจารแต่งทุกสทุกอย่างต้องเกิดเพืนพใจก็ไม่ใช่ใจนี้แล้วิดปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาให้เห็นแค่มึ้นจน้วค่อยป่อยวางความมึนมันถึงนันออกไปเมื่อสิ่งนี้เป็งสิ่งขึ้ละเอียดแต่สติปัญญาก็ต้องเข้าไปพิจารณาในสตรีของตินี้ ให้เห็นชัดขึ้นให้ปลดวางความยึมัน่นถึงมา่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปเจ็จิตเมื่อสั ง, สงขารความคิดพังแต่งซึ่งคิดว่าเป็นตัวจิต ก, ก็ตาเมื่อเป็นผู้ผูหล อ, อ, อยู่ก็มีคิดว่าเป็นเป็นจิตก็ต้องห า, าทางที่จะมีสือปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่ยึดความไม่แค่ตัวตนทลายความยึดมั่นถึงมันม่นออกไป จ, จึงจะมีควารู้เกิดขึ้นโดยมีความรูสึเกิ้นทายในใจของการละบุคคลได้เพราะฉะนั้นการพัฒนากต้ง ม, มีความมุ่งหวังหรือมุน่นเั่นในการพัินาไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาให้นืมเลยไปโดยป่าปรนในแต่ละวันนั้นต้องทำความเพียม ไ, มได้เต็ที่เราเกิดที่งานแล้วตองมีความจ่างที่สุด อย่าประมาในทุกๆวนันนั้นเต้องทาสมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิมันไม่เขึ้นก็ต้องหาวาิปปัญญาในการที่จะทำจิเทศนกความาทุกข์ขันก็อยู่ในจิตของเราซึ่งมร น, ม, ม, นม่รความจริงก็ไปหลงยึด ม, มั่นหรือมั่นในรู้หายถ้าเป็นจแตใเราคนที่มีสติเล้าดูจิตใจเรอยู่เสมอ ทำจิตใจเรานั้นมีความสงบเรืยเยนรือยเสงด้วยสมาธิเรื่อยปัญญาแต่ทุกคนก็ได้ยืนได้ฟังธรรมะของครูบาาจารย์พอสมควรโดยเฉพาะนว่าทุกสิงทุกอย่างเราต้องทำจิตใจเ่านั้นให้เห็นในทางจิตใจเ่านั้นเปล่ขึ้นมา ให้เห็นสภานะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงยตนทำให้จิตใจเรามันเต็มขึ้นมาแล้วปล่อยวางความเมื่นถึงมื่อนออกไปปล่อยวางความรู้ความขรุขระความหลงให้มันเทารางไปแข่งจิตใจเรนผู้มั่งหวังต่อพิธิบัตดนั้นเป็นพิจารณาถึงการนานั้นสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความกายเป็นของไม่แน่นอนเราจะเป็ประมาทหรือไม่แนใจจะทำไม แต่ละวังแต่ละคือมันให้ทําความเพียรให่ได้เต็มที่ทำความเพียรไม่ได้มากทุหกหาความคดีของจิตใจเราหาปฏิปทาที่มสม่ำเสมอเพื่อที่ทําให้จิตใจเรานั้นมีความสมงบด้วยเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนพากันตั้งใจในการพักรูเ้เติมเต็มมาทำจิตด้วละรวม แต่เรียบร้อยก็แยกย้ายถึงเข้าที่ทำเพื่อนภาวนาอยู่เสมอมๆทำกิจระทำกิจระก็ทํางานก็ทําด้วยความเมตตามีอะไรก็ก็เคยพูดเคยเผยกันํสำนวมจิตใจอยู่เสมอต่างคนต่างส่งเสริมในการปฏิบัติของการให้กันมีอะไรก็พูดกันด้วยด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพื่อที่จะเกื้อหนี้การปฏิบการปฏิบับบติธรรมของแต่ละบุคคลให้มีความลาาใลกล้ามา่นยืนยืนไปไม่ให้มีอะไรที่จะสะดุดหรือว่าขัดข้องไปในจิตใจของแต่ลบุคคลเพราะฉะนั้อนอยู่รวมกันไม่น้อยให้มีหวังในการปฏิบัติให้พากันภาพเปลี่นคเป็นเป็นภาวนาทุกทวันอยากแล้วถอยเพราะชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาบวช ในเพื่อป้ากาสาวพักนี้อันอยู่ในชยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะทาลายกิเลสภายใจเรานมีโอกาสตลอดยีสีชั่วโมงนี้กเลสที่อยู่ภายในใจเรานะแล้วก็ดับเได้เ็ต้ออาศัยเห็นสนามที่ปัญญาเป็นหนทางที่จะทาลายซึ่งมอยู่ภายในทิ่ใจเ่านั้นให้มันถอยวางไปเลยั้หมดลงไปเนี่ย เพราะถ้าทุกคนมีความเมตต์หวังในการที่จะน่ากิเลสเราเก็บใจเราจริงๆแล้วไม่ต้องดูบุคคลหนึ่งมีสติย้อะมาดูใจเราเนี่ยก็จะเห็นกิเลสไม่ต้อไปเห็นกิเลสบุคคนหนึ่งให้เห็นกิเลสในใจเรานันเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ขัดขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ไม่ขัดขังความโลภซึ่งมีอยู่ภายในใจเราไว้ไม่ขัดขังความโกรธที่มีอยู่ภายในจิตใจเราไว้ หลานมามนั้นออกไปอยู่เสมอไม่ขัดขวางความยินดีในลูกเมื่เราจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายประตามให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เทิดเนของรูปนั้นไม่ขัดขวางอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์อยู่ภายในใจงรานั้นเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะธัรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เทิตเทียน มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปที่ลำดันี้ทั้งนั้นดังนั้นให้แยกจิตออกจากอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนพยายามพระพุทธบาิอยู่ทุกๆวันความสงบเรื่องยันใจก็เกิดขึ้นในความคิดเห็นของพวกเราพอควรก็ขอุติเสถียงตรงนี้